วันนี้ก็เป็นวันหยุดในการทําการงานของเรานะเราก็มาบําเพ็ญรือมาปฏิบัตินะซึ่งการดํารงอยู่ในโลกในชีวิตของเรานี้นะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราก็ต้องอาศัยปัจจัย4ต้องอาศัยอาหารน้ําเครื่องนึง่งห่มที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโรคนะับเป็นปัจจัยเครื่องอาศัย อรอจนนะัที่อยู่ที่อาศัยของเราในส่วนด้านของ จ, จิตใจนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยก็จะเป็นใจที่ไม่มีความสุขน่าจะมีความทุกข์เพราะปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายที่เราอยู่ได้นั้นก็ไม่เกิดมีความทุกข์ทางกายมันเทาความทุกข์ทั้งหลายทางกายไปได้ นัดใจที่จะมาทุกเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนั้นก็บรรเทาลงไปแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกของใจนั้นเน่ถ้ายังมีอวิชชาทันหา อ, อุปทานที่ครอบงมอยู่แล้วนะก็จะเป็นใจที่ยังจะมีความดิ้นรนข้นขวายเป็นใจที่มีความทุกข์มากเกินไปจนกระทั่งว่า ใจก็จะรับไม่ไหวกับความทุงนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นเป็นของเย็นถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะก็จะทําใจของเราให้เย็นหรือถ้าใจของเรามีธรรมะก็จะเป็นใจที่มีความสงบเย็นนะถ้าใจที่ขาดจากธรรมะก็เป็นใจที่จะมีความร้อนนะ้ำเล่าร้อนไปเรื่อยๆ พระความร้อนนะ่ะความโลภความโกรธความหลงเราก็ได้ยินบ่อยว่าเจ้าสามตัวนี้แหละจะทําใจของเราให้เป็นทุกข์ให้เต็มไปความร้อนเรื่อยเราก็เห็นว่าเกิดความโกรธเกิดขึ้นมาใจก็เป็นทุกข์มีความร้อนใจนะไม่สงบถ้ามีความโลภเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะได้ทรัพย์สินสิ่งของมากเกินไป เกินขอบเขตของศีลธรรมเห็นว่าใจก็มีความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาหรือมีความยึดมั่นหรือมั่นบ้าเราของเรามากเกินไปใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาพระเจ้าตรัสว่าทม ท, ทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดถัาถาตดตัดทั้งเหตุที่เกิดนั้น ถ้าความดับไปคงเหตุนะทำทั้งหลายก็จะดับไปด้วยนะทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดทำทั้งหลายก็คือความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีก็เป็นธรรมะก็มีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมาไม่ได้ลอยๆนะอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาเฉยๆแล้วมีเหตุมีปัจจัย เมื่อเรารู้ว่ามีเหตุมีปัจจัยแล้วความสุขความทุกนี้เหตุเพราะอะไรล่ะท่านบอกว่าเพราะตัณหานะตัณหาสามกรมมตญหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสามนี้เป็นเหตุนะให้เกิดความทุกข์ของใจขึ้นในอริยสัจสี่ใช่ไหมทุกสมุทยัยนิโรธแล้วกมรรคนะ ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุคือตัณหานั่นเองนะถ้าตัณหานี้ไม่มีความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าตัณหามีความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะเราไม่ต้องการความทุกข์าบางครั้งเรามีความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องการให้ใจของเราทุกข์เลยเราไม่ต้องการให้ใจของเราเกิดความโลภเลยความโกรธความหลงเลย นะพงแต่งฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องการเลยนะอาจจะเบื่อหนมันถ้าเราเบื่อไหนไม่ชอบใจก็เป็นตัณหาอีกวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากพบไม่อยากเจออารมณ์ที่เราไม่ชอบก็เป็นตัณหาอีกถ้าเราเพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกิริย์รสผลธรรมธรรมลมก็เป็นตัณหาอีกถ้าเราอยากจะมี ความสุขอันนี้ไปเีกมากมากขึ้นก็เป็นภาวะตัณหาและก็เป็นตัณหาอีกนะเราจะไปทางไหนนะถ้าเราไม่มีสติปัญญาใจก็จะพบกับตัณหาอยู่เสมอแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่รู้ว่าจะดับลงตรงไห น, นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ถ้าใจของเราต้องการพ้นจากความทุกข์นั้นก็คือจะต้องไม่ให้ตัานหาเกิดขึ้นนะทัานหาจะเกิดขึ้นมาได้เพราะความหลงเราก็ต้องสร้างความรู้ขึ้นมานะความรู้ในที่นี้ก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐนะิอันเป็นข้อแรกของอริยมรรคมีองค์แปดเมื่อมีสัมมาทิฐิแล้ว ก็จะมีความที่ถูกต้องตลอดไปจนถึงสมาสัมมาธิแหละเเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อจิตของเราเดินอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นอย่างไรนันนี่โรธะความพ้นทุกนี่ก็จะเกิดขึ้นเพราะความจางคายไปของตัณหานั้นั่นเองเพราะความสลัดทิ้งสลัดคืน ทำให้ไม่มีที่อาศัยของตัณหาในใจของเราเมื่อตัณหามันไม่มีความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนี้เราต้องการความพ้นทุกข์แต่เราไม่เดินมรรคนะแต่เราสร้างเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่อยากจะได้ความทุกข์เราก็ได้เรื่อยๆนะไม่หมดไปมันก็จะเกิดขึ้นมาจะพบกับความทุกข์อยู่เสมอนั่นแหละถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ นะเราก็ต้องดูว่าความทุกข์มันเกิดเพราะมีเหตุตัานหาเป็นเหตุเราจะลอดได้ก็จะต้องเดินมรรคอริยมรค ม, ม, มีองค์แเป็นเหตุนิโรธความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยนะท่านบอกว่าตัวที่ครอบงาําจิตของเราเรื่องอนุสัยกิเลสมีด้วยกัน10ประการนะที่มันร้อยลัดจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยเครื่องร้อยลัดเนี่ย มีด้วยกัน10ประการข้อที่1นสักกายทิฐิข้อที่2วิจิกิจฉาข้อที่สามสีรพ a ต t ปรามาตตนี่เป็นสังโยชน์สาประการเบื้องต้นนะที่กระยาณชนปุถุชนกระยาณชนนั้นถูกสังโยชน์สตัวนี้มันร้อยลัดอยู่ในเบื้องต้นมีทั้งหมด10ตัว10ประการนั่นแหละนะสักกายทิฐิ เราก็คงทราบว่าสักยัจธิฐินั้นก็คือความเห็นผิดความเห็นผิดที่มันฝังแน่นในจิตใจของเรามาหลายภพหลายชาติแล้วมาเกิดมาเทลายก็มีตัวเรามีของเราอยู่เรื่อยนะเกิดเป็นเทวาดาก็คือเราเป็นเทวาดาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เราเป็นมนุษย์ถ้าต่ําลงไปอีกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยิ่งเราเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งแก่ไม่ได้อนะะเพะฉะ้เป็นมนุษย์ ก็ว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆออันนี้ก็เป็นความหลงในข้อแรกเราก็มาพิจารณาที่ว่าให้ตัวความโลภความโกรธความหลงอะ่ะที่เกิดขึ้นมาได้นะ่ะเพราะตัณหามีความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรานี่คือของของเราี่เป็นสักยะทิฏฐินั่นเองวิจิกิจฉานะความที่ลังเลสงสัยว่าเออการปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติเพื่ออะไรยังดังเล่สงสัยอยู่ในกายนี้มันใช่เราหรือไม่ใช่เราเออสงสัยในข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายศีลปฏตปรมาสการประพฤติปฏิบัติในศีลในทานก็ยังไม่ได้เป็นไปเพื่อความที่จะละกิเลสยังเป็นไปเพื่อความจะต้องการมีความเกิดมีความสมบูรณนะ์ในการเกิดอยู่ก็ยังเป็นศีลปฏตปรมาสอยู่ในข้อวัด เพราะฉะนั้นนะพวกเราเมื่อมาบําเพ็ญปฏิบัติเนี่ยมาให้ทานสมาทานศีลมาฟังธรรมนั่นแหะเพื่อเราที่จะละสังโยชน์คือสักยัติทิฏฐิวิจิกิจฉ า, าสิรพตประมาทนะเราจะละสังโยชน์สามนี้ได้ยังไงเราก็ปฏิบัติในศีลสมาธินะแล้วก็ปัญญานี่แหละนะจะละสังโยชน์สามนี้ได้เมื่อเราปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธินืนกับปัญญาจิตของเราตั้งมั่นดีในเบื้องต้นเราก็จะทราบว่านะสักกายทิฏฐินั้นคือเห็นว่านี่คือตัวเราของเราเราไม่เราเห็นแต่สมมติแล้วก็ยึดสมมติจิตยังไม่เป็นมิมุติยังไม่หลุดพ้นจากความเห็นอันนี้เราก็มาปฏิบัตินะพิจารณาถึงร่างกายนี้แหละเมื่อลวมให้ใจเข้าออกจิตของเราสงบแล้ว มีปิติมีสุขนะหรือว่าจิตเข้าเอกเข้าตามีตกวิจารณปิติสุขเอกเขาตาขึ้นมาหรืออาจจะได้ว่าวิตกวิจารณปิติสุขหรืออาจจะมีวิตกวิจารณแล้วก็มีปิตินะก็คือมีความสงบระ ง, งับได้รนะดับหนึ่งเราก็เอาความสงบนมาพิจารณาในสังขารร่างกายนี่ดูว่าความโลภเกิดหลงเนี่ยพระุทธเจ้าตัดว่าเพราะว่าเรายึดมั่นในร่างกายนี่คือตัวเราของเรา เราลองมาพิจารณาที่ว่าตัวเราของเราจริงไหมนะเราพิจารณาเรื่อยมาเรื่อยไปแล้วแหละนะในวัตถุภายนอกที่เราได้มาแล้วมันเสื่อมจริงไหมมันเปลี่ยนมันแปรไปตามกฎธรรมชาติเราก็ได้ ย, ยินได้ฟังแต่เราไม่เห็นก็ไม่เข้าใจชัดนะก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นะจิตได้แล้วมาแล้วก็อยากให้มันคงอยู่ตลอดไปซึ่งมันไม่ใช่ สรัพย์สินสิ่งของวัตถุทั้งหลายในโลกนี่นะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอแหละนะแม้แต่สังขารร่างกายของเราเนี่ก็เป็นอย่างนั้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเป็นธรรมดาทั้งวัตถุสิ่งของภายนอกนะทั้งร่างกายของเราทั้งวัตถุที่มีวิญญาณคองและไม่มีวิญญาณครองนั่นแหละเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อจิตสงบพิจารณาแล้วก็จะมีความรู้ขึ้นมาทีละน้อยตัวสักยัตทิฏฐิความเห็นที่ฝังแน่นว่าตัว ต, วตนจะค่อยๆถูกทําลายลงไปนะอนุสัยกิเลส ท, ที่ฝังแน่นมานี้เป็นสังโยชน์จะค่อยๆถูกทําลายไปพร้อมกันกับวิจิกิจฉาสีกับพรตปลมานนั่นแหละนะทําลายไปเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆหาเป็นความเป็นตัวเป็นตนตไม่ได้นะี่ พญพุทธเจ้าพระองค์ทรงฉลาดก็สอนนะ ว, ว่าวิธีการที่เราจะมีปัญญาอย่างนี้ในเบื้องต้นนั้นเราจะต้องเป็นผู้รู้จักเสียสละเสีก่อนนะก็คือการรู้จักการให้ทานการทําบุญการบริจาคทานทั้งหลายนะทั้งทานที่เป็นวัตถุ ด, ด้วยทานที่เป็นความรู้สึกในใจของเราด้วยหรือการให้อภัยทานด้วยสิ่งเหล่า น, นี้เราก็จะต้องสร้างก่อน นะถ้าคนเราเปแต่ความโลภความโลภอย่างเดียวนะแล้วก็เราไม่เสียสละไปเลยจะมานั่งสมาธิมันก็ยังไม่ได้นะเพราะอะไรความโลภมันกั้นเอาไว้ความโกรธมันก็กั้นเอาไว้ความหลงมันก็กั้นเอาไว้ทําสมาธิก็ไม่สงบนะเพราะนิวรมันยังมากอยู่นะเพรยังท่านบอกว่าจะทำให้นิวรมันน้อยลงไประดับหนึ่งก็รู้จักการให้ทานจะทํานิวรเนี่ยให้มันน้อยลงไปอีก กระดับหนึ่งก็ต้องมีศินนะั่มันไม่วุ่นวายแล้วเราจะตั้งใจแล้วนะไม่ฆ่าศาสตร์ลักทรัพย์ประพฤติผิดศินทำไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรกิเลสมันก็ถูกจํากัดขึ้นมาอยู่ในวงละนะมันไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ไม่มีอะไรที่จะกั้นเลยมีความโลภขึ้นมาก็ผิดสินทําได้มีความกลัวขึ้นมาก็ผิดศินมีความหลงขึ้นมาก็ผิดศินได้ นั่นก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนโลกทั้งโลกที่เดือดร้อนกันเนี่ยเข ค, คนไม่มีศีลธรรมนั่นเองนะไม่มีการเสียสละนั่นเองจึงเดือดร้อนวุ่นวายกันนี่แ้่คนเราเรามนุษย์มีความเสียสละนะต่างคนต่างก็ไม่เบี่ยนเบี่ยนซึ่งกันและกันเอาหลักของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตัวเองรับถืออยู่นั่นแหละมาปฏิบัติจริงๆแล้วนะก็จะได้รับความสงบสุขทางกายทางวาจา แล้วก็ทางใจได้ในส่วนหนึ่งทีเดียวเมื่อสงบสุขได้นะทางกายวาจาที่มีศีลแล้วนี่จึงสําคัญว่าศีลนั่นเหมือนก็เป็ น, ปนศิลาเป็นฐานที่มั่นที่ตั้งมั่นทีเดียวนะเราจะวางหลักวางฐานใช่ไหมเราต้องมีศิลาสรมิตรมัยนี้สร้างตึก ส, งสูงๆก็ต้องมีศิลามีเด็กเป็นเสาเข็มตอกขึ้นตอกลงไปแล้วแหละนั่นก็สร้างตัวอาคารขึ้นนะถ้าตัวเสาเข็ม ที่ฝังลงไปมันไม่แน่นแล้วเราจะสร้างขึ้นไปลหลายๆชั้นก็มีปัญหาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นศีลนี้หรือศีลาเนี่ยจึงสําคัญเราต้องสร้างให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมากระจายซะก่อนนะชาวพุทธของเราก็สมากก็มีทานฐานะบารมีนี่มีมากแล้เนาะกาสร้างวัตถุมงคลขึ้นมารุ่นอะไรที่จะมีเป็นเศรษฐีนะ่ะเราก็จะชอบแล้วแหละนั่นเราจะชอบแต่ว่าเศรษฐีนั่น จะเกิดขึ้นได้จากผลทานที่เราได้ทำํำจะรอบุญบันดาลให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกับเรานี่นําไม่ได้ตามหลักของมุทธศาสนาต้องเกิดจากความดีคือฐานะบารมีที่เราได้ทําไว้พระสีวลีหมหาเถระก็ทําทานเอาไว้แล้วถวายน้ําเพิ่งกับพระพเจกกับพะพุทธเจ้าท่านอนาถาวิริการเศรษฐีนางวิสาขาหมหาบอสิกาท่านชโชติกาเศรษฐีก็ถวายทานไว้ไวก่อนแล้ว เกิดนะขึ้นมานั้นท่านจึงมีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เพราะเคยถวายทานกับพระกกพระุทธเจ้ากองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วนะเราต้องเข้าใจว่าเราจะมีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั้นเกิดจากสิ่งที่เราเคยได้ทํา่อาและไว้แล้วนั่นเองส่วนหนึ่งก็จากสติปัญญาของเราที่ได้รู้จักการสแสวงหาด้วยก็คือบุญบา ร, รมีที่เราเคยได้สร้างเอาไว้แล้วนั่นเองท่านจะมีได้ ยิ่งคนเราถ้าเกิดมามีได้ความโลภล่ะนะักต่างคนต่างมีความโลภจะมีความสุขไหมนะเราก็จะอยู่กันลําบากในโลกเนี่ยอนะัตตาต่างคนต่างที่มีความเสียสระจะอยู่กันได้พนะระเจ้าประสงค์ก็อยู่ได้นะเพราะอะไรเพราะญาติโยมเสียสละถวายที่ดินวัดถวายกุฏิถวายวิหารถวายโบสถนะ์ถวายอาหารนะั่ที่ต้องฉันทุกวันนี่นะัธรรมชาติ ที่มีอยู่นะก็ทําให้อยู่ได้เพราะมีอากาศถ้าไม่มีอากาศที่ดีแล้วก็อยู่ไม่ได้อีกนี่ธรรมชาติก็ยังให้ชีวิตที่จะอยู่ได้นะแ ก, ก่ทุกๆคนทีเดียวแก่สัตว์ทุกๆตัวทีเดียวเนี่ยนี่ก็สําคัญทีเดียวเนี่ยนะถ้าเกิดธรรมชาติเสื่อมเสียไปแล้วนี่อากาศไม่ดีนี่ก็จะอยู่กันยากในโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราให้อาหารแล้วให้สภาพแวดล้อมที่ดีช่วยกันด้วย กนะ็จะทำให้มนุษย์แนละสัตว์นะคนที่อยู่ในโลกนี้อยู่กันได้ด้วยความภาสุกนั่นเองเราก็ต้องช่วยกันนะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็กระทบกระเทือนกันมาถึงหมดนะ่ะนะในสภาวะแวดล้อมของโลกเนี่ยเมื่อเรามีความเสียสละเมื่อเรามีความช่วยกันอย่างนี้นะสังคมก็อยู่ได้พระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็อยู่ได้เพราะว่าศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทมีฐานบารมีนั่นเอง เมื่อมีทานแล้วเราจะอยู่กันได้ได้วยความสุขนั้นก็ต้องมีศินพระท่านจะอยู่ด้วยความผระสุขได้ในวัดต้องมีศินเสมอกันมีความเห็นเสมอการญาติโยมต้องมีความเห็นเสมอกันมีศินเสมอกันมีศินห้าเสมอกันอย่างเรานั่งที่นี้แหละใครเลื่องกระเป๋าสตังไว้เออสักหนึ่งล้านบาทก็ไม่มีใครเอาละเพราะอะไรเราเห็นศินของเรามีราคามากกว่า มากกว่าเงินทองทั้งหลายมากกว่าทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานัตเป็นของภายนอกมีความเสื่อมสิ้นไปได้พิบัติไปได้นะแต่ว่าศินภายในเป็นอริยทรัพย์ไม่มีใครจะมายึดของเราไปได้นะไม่มีใครจะเอาของเราไปได้นะอันนี้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนันเรียกว่าอริยทรัพย์นะนะสำคัญนะทรัพย์พู้ทานทรัพย์คือสินทรัพย์คือสุตตะการได้ยินได้ฟังเนี่ยนะทรัพย์คือสมาธิภาวนาปัญญาเนี่เป็นทรัพย์ของเรานะ ไม่มีใครจะมาเอาของเราไปเออของเราอยู่ของเราเนี่แหละนั้นแล้วทรัพย์นี้จะพัฒนาให้จิตของเราเนะนี่ยแหละมีปัญญาขึ้นจะเอาชนะกิเลสสังโยชน์ที่ร้อยละจิตใจของเราในเบื้องต้นได้เราจะละตัวละตนได้ละได้ในความโลภโกรธหลงจากการให้ทานจากความมีศีลแล้วนะต่อมาเราก็มาภาวานาให้จิตสงบเนี่ยนะสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกภพทุกชาตินั่นแหละพระองค์ก็ บมเพนทานะบรมีศีลนะบารมีรรมพระเวสสนดรชาดกเห็นไหมบมเพนทานะบ ร, รมีบริจาคมหาทานะบริจาคบุตรภรรยาทรัพย์สินสิ่งของบริจาคหมดเพื่อบมเพนสมาธิจิตเพื่ อ, อบมต้องการที่จะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต้องเสียสละขนาดนั้นนะ่ะนะไม่ใช่ง่ายนะเราลองดูที่ว่าคนเราเนี่ยเสียสละนะทานะบ ร, รมีได้นะเสียสละวิัยวะก็มัยากแล้ว พระพุทเจ้าของเราเป็นมรรบริสัตธเสียสละมามากทีเดียวเสียสละชีวิตให้เป็นทานก็มากนี่ไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่ามุ่งหวังในในพระโพธิยานนั่นเองนะพวกเราเมื่อเคารพในพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามท่านก็คือการให้ทานนะการสมาทานศีลนะการฟังธรรมการเคารพในธรรมการเจริญสมาธนะิการทําจิตของเราให้มีความสงบ รูลมหาใจเข้ารูลมห้ใจออกตามจิตสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาเนี่เมื่อเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอย่างไรมันอยู่ได้เพราะอะไรทำไมเราว่าเป็นตัวเราละ่ะเออตัวเราอยู่ที่ไหนนะ่ะเออจิตนี้ต้องการให้ร่างกายมันเจ็บป่วยไหมต้องการความแก่ความเจ็บความตายไหมไม่ต้องการแล้วทาไม ร่างกายนี้เมือนจึงมีสภาวะเสื่อมสิ้นไปมีความแก่มีความเจ็บความตายล่ะก็แสดงว่าใจบังคับร่างกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้ไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งนั้นเลยนะโลกนี้นะเป็นใหญ่เฉพาะตัวเท่านันเองนะนะจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเห็นไหมนะพระเถระมาเถระท่านพิจารณาว่าที่ท่านมาบวชนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยง นะพ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุของตัณหานะโรคนี้มันพ่องอยู่เสมอนะ่นี่นะมันไม่อิ่มสนะักทีเลยดูใจของเรา ม, มันมีความอิ่มไหมอ่นะใจของเรามันจะรู้สึกอิ่มไหมนะคนบางคนกออ็ยังไม่มีปัจจัยเงินทองมากไปสักล้านนึงก็บอกพอแล้วพอมีแล้วมันก็ไม่พอนะใจไม่อิ่มนะนะไม่อิ่มมันพ่องอยู่เสมอนะนะนึกว่าจะมีอะไรจะพอในใจไม่พอในใจเนี่ย มีลามียอดเส้นๆสูงอะไรมากๆก็ไม่พอเลยนะไม่อิ่มนะจะอิ่มได้ใจต้องมีธรรมะเท่านั้นเองทั้งจะอิ่มได้เพราะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยนะใจที่เป็นโลกใจที่ยังเป็นโลกอยู่มีโลภมีโกรธมีหลงอยู่เนี่ยมันพ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มนะเป็นธาตของตัณหาตัณหาเนี่ยมันต้องการอะไรมันจะบอกใจของเราเราก็จะต้องทําอยู่เรื่อยๆใจของเรามันตกเป็นธาตแล้วนะของตัณหาเห็นไหม นะถ้าเราต้องการอะไรที่มันออสมบูรณ์บริบูรณ์ในใจมีความอิ่มแล้วก็ต้องเอาใจนี่นะมันพ้นจากความเป็นธาให้ได้เป็นอิสระภาพให้ได้ใจจะมีอิสระภาพให้ได้นั้นต้องเป็นใจที่บริสุทธิ์นะใจจะบริสุทธิ์ได้ต้องเดินในมรรคคือศีลธ ร, รมะทิปัญญานี่นะสําคัญเลยพระพุทธเจ้ า, าสอนอรอยิยมรรคมีองค์แมาแล้วเราก็ได้ทราบแล้วพยายามปฏิบัติ ตอนนี้เราไม่มีทานให้มีทานเป็นปกติถ้าเรายังไม่มีศินครบให้มีศินห้าเป็นปกติเรามีศินห้าครบแล้วสักสัปดา ห, หนึ่งนะวันหยุดให้มีศินแปสักหนึ่งวันเป็นปกติต่อจากนั้นไปก็บำเพ็ญสมาธินะของเราแล้วเพราะว่าอริยมรรคนั้นคือศีลสมาธิและก็ปัญญาบางทีศินมีแล้วสมาธิยังไม่ได้เจริญเลยนะยังไม่เจริญให้มากขึ้นนี่เราก็เอาชนะกิเลสไม่ได้เพราะใจไม่ตั้งมั่น ใจไม่ตังมันก็ถูกกิเลสมันครอบงามอยู่ได้ระดับหนึ่งนั่นแหละในกว่าดีระดับหนึ่งแล้ ว, ลวคือมีศินแล้วและชั่วแล้วบำเพ็ญความดีแล้วแต่ว่าใจมันยังมีอีกใจเป็นอกุศลคิดอกุศลอีกคิดกุศลนี่มันยังมีแต่เราไม่ทําตามอากุศลละจิตที่ใจไม่คิดแล้วคุมเอาไว้อดทนเอาไว้นะอดทนเอาไว้ตอนนี้มันยังมีความหนักมากถ้าเราไม่มีศินนี่ยังมีความหนักมากทีเดียว หนักไว้แบกโลกหนักแบกอารมณ์หนักแต่เมื่อเรามีศินแล้วมีฐานแล้วก็เบาลงมาระดับนึงนะใจที่เคยหนักก็เบาลงมานะเมื่อเรามีสมาธิล่วนะใจยิ่งจะรู้สึกเบาขึ้นนะนั่งไปกายเบาจิตเบาควรแ ก, กการงานเลยนะแต่ออกจา ก, กสมาธิมาแล้วมาเจออารมณ์เกิดความยึดมั่นถือมั่นใจก็เกิดความหนักอีกแล้วนะความยึดมั่นถือมั่นนี่ทำใจให้หนักครั้นี้ทํำยังไงอะ เราก็พิจารณาเห็นอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานํานไมยึดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นชีวิตนี้ก็จะต้องตายเนี่ยจะยึดอะไรล่ะนะพิจารณาแล้วมันไม่มีตัวตนอะไรที่แท้จริงในสุดต้องตายตายแล้วไหนคือเราของเราละนะปล่อยวางได้มันก็เกิดความเบาขึ้นมานะความเบาขึ้นมาที่แรกเลยเนี่ยโอ้ไม่มีศีลธรรมเนี่ยมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมากมายในวตัตฏสงสาร แต่เมื่อจิตของเรามีศีลธรรมดีแล้วมีสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาเกิดละความโลภความโกรธความลงได้แล้วเนี่ยนะสมมติว่าน้าในขวดหนึ่งมันเต็มขวดอยู่ตอนนี้ในน้านั้นก็คือมันทั้งน้าทั้งขวดนั้นก็คือกิเลสนั่นแหละนะต่อมามันก็เบาลงแล้วเนี่ยเออมันเบาลงแล้วน้านั้นค่อยๆหยดออกไปหยดออกไปเรื่อยๆนะ มันความเคยหนัก 100% มเอนมันก็นหนักลงลดลงเหลือแค่ 75% แล้วนะเแล้วเพราะอะไรเพราะเราละโลภละโกรดละหลงได้ระดับหนึ่งแล้วนะศีลธมที่ปัญญารวมตัวกันขึ้นมาเป็นสมุิเธปทหารอาวิชชาตัญหาอุปทานที่เคยยึดมั่นถือมั่นอย่างมากทีเดียววัตถุเราของเราถูกทำลายลงไปนะถ้าอย่างนี้ท่านบอกว่าพระโสดาบันบุคคล น, นั้นมาเกิดอีกไม่มีชาติที่8 เกิดอีกอย่างมาก7ชาตินะอย่างกลาง3ชาติถ้าเกิดว่าเป็นเอกกับพิชีนั่นเกิดชาติเดียวเพิ่์นผู้ที่มีเพื่อนนะการเกิดอีกชาติเดียวนะถ้าเป็นสตักขะต้งนั่นเกิดอีก7ชาติเห็นไหมโกรังโกละเกิดอีก3ชาติให้พวกเราเมื่อบำเพ็ญบารมีเนี่ยพยายามปฏิบัติผลแห่ง ก, การปฏิบัติมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริง เนื้อพวกเราพยายามปฏิบัติภาวนาจเจริญในธานในศีขึ้นมาเนี่ยนับเป็นทรัพย์ของเราแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วนี่เห็นสภาวะวัตถุสิ่งของภายนอกนั้วน่ะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเลยทั้งโลกนี้เลยแหละถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราเห็นว่าโอในโลกนี้เราจะเอาอะไรไปเอาอะไรไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นของโลกอยู่ในโลกนี้นะอยู่ในระบบสุริยะจักรวาล น, นี่ไม่มีแค่เอาอะไรไปได้ต้องเอาไว้ในโลกนี้ นะสังขารร่างกายก็เกิดขึ้นมาจากท่าสี่ในโลกนี้เอาไว้ในโลกนี้จิตมาอาศัยอยู่เพียงชั่วข่าวเท่านั้นเราต้องพิจารณาทุกวันด้ววันเราเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ในโลกนี้ชั่วข่าวเท่านั้นนะเออเราไม่ได้เอาจะเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้เลยนะนอกจากว่าเราฉลาดเราก็ทํากรรมดีถ้าเราไม่ฉลาดก็ทํากรรมชั่วไปเรื่อยๆจิตก็เศร้ามองตายไปแล้วจิตเศร้ามองก็ไปทุกขติถ้าเราทํากรรมดีจิตผ่องใส โอกาสจะไปสุขติมันก็มากนะเราก็ต้องหมั่นที่ว่าละความชั่วทําความดีแลกละกิเลสเอาวิชาธนะอุบทานละสักยะทิฐิวิจิกิจฉาสิรพตปรมาดไปละอย่างไงละในปัจจุบันนี้แหละนะเราไปทุกวันทุกวันละความเห็นเกตตัวละตัวละตนละความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนลงไปอันนี้คือเราอันนี้ของเรามันจริงหรือเปล่าพิจารณาดิเออลงให้ใจเข้าเดี๋ยวนี้ให้ใจออกเดี๋ยวนี้ย เราเอาศัยลมหายใจเดี่ยวนี้เราอยู่ได้ร่างกายเนี่ยขาดลมเราบอกว่าเจ้าอย่าตายนะมันก็ตายเห็นไหมขาดน้ําก็ตายเ อ, อพาไปนั่งอดทาหารกันนะเห็นไหมอดข้าวได้หลายวันว่านีย่ยิงข่าวอยู่นะเนี่ยพออดน้ําไม่กี่วันอะไรเนหะ็นไหมเนี่ยก็จะตายแล้วอเห็นไหมเพราะอะไรเพราะร่างกายมันต้องเอาศัยธาตุน้ําถ้ายิงอดลมหายใจไม่นานเลยอยู่ไม่ได้หรอกนําไปถึงห้านาทีตายหมดอะนะคนเราทุกๆคนเป็นอย่างนั้นต้องเอาศัย ธาตุสี่นี่เองธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันประชุมกันร่างกายก็แข็งแรงถ้าเกิดมันมันเสื่อมไปมันไม่สมัครสมันสามัคคีกันเป็นยังไงโรคภัยแค่เจ็บก็เกิดขึ้นนี่เราก็พิจารณาดูดีมันไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเรามันจะตัดสินใจได้เด็ดขาดนั่นอ่ะประสูตรบัญญบุคคลนั้ค่อยๆเห็นน่ะค่อยๆเห็นโอ้มันไม่ใช่เรานะจิตจะต้องมีสมาธิเพื่อจะควบคุม ออนิวรณทั้ง5ได้แล้วก็จะพิจารณาถอดถอนอนุสัยกิเลสสักยทิฏฐิสังโยชน์ที่มาร้อยรัดไดนะ้น้ำในขวดนั้นมันก็เหลือน้อยลงไปแล้วนะคราวนี้ท่านบอกว่าเมื่อเป็นชนี้แล้วจิตก็จะพักหยิดแะจะพิจารณาอะไรยังไงก็ไม่ได้นะอาจจะเป็นปี2อปีก็ได้ต่อมาก็พิจารณากายอีกเดินมากไปเอกสินธรรมที่ปัญญาเดินมากไปนะก็ทาลายกิเลสความโลภโกรธ นะความโลภกับความโกรธให้น้อยลงไปอีกทีแรกเราไอ้ท่านเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วทาไมยังจะมีความโลภโกรธอีกล่ะความโลภความโกรธความหลงทําลายไปส่วนหนึ่งเท่านั้นนะทำลายไปส่วนหนึ่ ง, นะ ส, นนงสมมติว่าร้อยก็ทำลายไปแล้วนะโลภโกรธหลงทําลายไป 25% อนตะอยู่ในศีลธรรมแล้วยอมตายดีกว่าที่จะผิดศีลธรรมนะมั่นคงแล้วจิตใจมั่นคงแล้วเพราะกําลังของมรร ได้ทําลายสังโยชน์ไปในเบื้องต้นแล้วคราวนี้จะมีปัญหาว่าสงสัยอีกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ากิเลสมันเบาบางลงไปนะมักเดินไปแล้วสมาธิมันจะมากกว่าเก่าปัญญามันจะมากกว่าเก่าะความรู้ความเห็นมันก็จะชัดเจนขึ้นนะเหมือนน้ําในขวดนั่นแหละแม้ว่ามันมันมีความเบาอยู่กับเก่านั่นนะ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มันหนักตอนนี้มันเบาลงแล้วเบามากแล้วนะ เมื่อก่อนจะต้องเวียนไหวตายเกิดไปในวัาตางสงสารมากมายไม่รู้จะจบตรงไห น, นแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่เกิน7ชาติไม่เกินต่อมาก็ไม่เกิน3ชาติไม่เกิน1ชาติอ่าอันนี้ไม่เกิน1ชาติแล้วมันจะน้อยลงไปยังไงล่ะเมื่ อ, อความโลภโกรธหลงนี่ถูกมักมันทําลายลงไปอีกนะ้นําในขวดนั้นมันลงมามันหมดไปเหลือครึ่งเดียวมันก็เบาลงไปอีกแล้วก็รู้จักละเออพบชาตินี้แนหะ โรคโกรธหลงมันเบาบางกับเก่าแล้วนะมันไม่มากมายที่จะเป็นโรคอ่าจะเป็นโลคอะไรแล้วหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วเนี่จะเป็นอะไรในโลกเนี้ยนะความโกรธจะไปโกรธใครแล้วมันก็ตายทั้งนั้นเนี่ยจิตมันก็ไม่มีความพยาบาทละเมื่อก่อน ม, มนุษย์เราธรรมดาเป็นพลุชนถ้าโกรธขึ้นมานะก็พยาบาทถ้าโกรธแล้วพยาบาทก็ก็วุ่นวายในการทั้งโลกทั้งประเทศนั่นแหละเพราะมีความโกรธความพยาบาทเพราะมีตัวตนเราเขานี่แหละนะพักคนไม่มีศีลธรรมนะ่ะ ครั้นี้ทํำยังไงอ่ะทาละโลภละโกรธละหลงถึมาแล้วนะถึงมีความโกรธความโลภอยู่แต่ไม่มีความพยาบาทในพระโสดาบันบุงคลนะยังมีโลภมีโกรธอยู่มือนกันแหละแต่ต่อมาโลภโกรธนี่มันเบาลงไปมากแล้วนะก็เป็นพัสกทาทาคามีมันก็มีญาณมันเครื่องรู้ขึ้นมานั่นแหละแล้วลก็ปฏิบัติอีกนะในสิน่งทิ่ปัญญาเนี่เดินมากไปอกเองแหละทำจิตของเราให้สงบขึ้นไปอีกละโลภละโกรธได้เด็ดขาด นะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้แล้วคือพระอนาคา ม, มนะีผู้ที่ไม่มีเรือนแล้วไม่กลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตายจากนี้ไปก็เป็นพรมนะนี้น้ําในขวดนะก็เหลือน้อยไปเองแล้วนะ3 ส, ส่วนหมดไปแล้วนั่นะลเลยอียกส่วนเดียวก็เหลือกับขวดนั่นแหละต่อมาพิจารณาอีกนะจนน้ํามันก็หมดไปในขวดนั้นไม่มีแล้วนะสังโยชน์มัในจะใกล้หมดแล้วขวดนั้นก็ไม่มีอีกหมดไปเลยหจิตก็ว่างหลดก่อนิพพานนี่ การมาเพืปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติไปอย่างนี้แต่เรามา่อถงคํานึงแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่คํานึงว่าตอนนี้เราเป็นผู้มีความโลภเกิดไหมโกรธเกิดไหมหลงเกิดไหมในใจอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พิจารณาดูทุกวันทุกวันพยายามละนะความโลภความโกรธความหลงนะมาเฉดละไปว่าไม่เหลืออะไรนะก็เอาไว้ใช้จ่ายใช้สอยของเรานะทำกิจการหน้าที่ของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเช่นนี้แหละนะเราก็จะได้ มีธรรมะเมื่อเรามีธรรมะใจก็ไม่ร้อนใจก็จะสงบเย็นถ้าเราใจของเราเป็นโลกใจก็มีแต่ความร้อนมีแต่ความทุกร้อนไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมนั่นก็เห็นธรรมะพระเถระท่านว่าโลกนี้มันพองอยู่นําไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาไม่มีใครเป็นใหญ่เลยเป็นใหญ่เฉพาะตนจําจะต้องทิละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเห็นไหมเราจะต้องละทิ้งไม่พิจารณาดินะให้พิจารณาให้เกิดปัญญาแก่พวกเราให้ระบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสห้อยเจริญในธรรมทุกกัน ทุกท่านเถิ